น ะ, ะชะักกะสูตรนะฮะชาชักกะสูตรอยู่ในทีอ่อยู่ในม ช, ชิมนิกายอุปริภันนาทเป็นสูตรที่มีความสำคัญมากแล้วก็ท่านอาจารย์มาอธิบายให้เราฟังเมื่อวานนี้นะครับก็ยังไม่จบวันนี้ท่านอาจารย์จะมามาว่าตอ่อนะครับท่านจะ สรุปย่อๆก่อนนีไหมครับที่ท่านผ่านมาเมื่อวานนี่ยครับใช่ไหมทบทวนก่อนนะทบทวนธรรมะหมวดหกหกมวดอะธรรมะหมวดหกนั้นหมวดที่หนึ่งคือนะทบมวดที่หนะึ่งคือตาอันะจักอะายตนะคือตาอายตนะคือหูจมูกเลนกายและใจ นี่เรียก ห, หมวดหกหมวดที่หนึ่งมีอยู่หกอย่างใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจนับได้หกแต่เรียกกลุ่มที่หนึ่งหรือหมวดที่หนึ่งต่อไปสองกลุ่มที่สองหมวดที่สองก็คืออายตนะคือรูปเสียงเลนรสโธพธะะและธรรมรมณน เ, เรียกว่าธรรมะหมวดหกหมวดที่สองทีนี้หมวดที่สามหมวดที่สามคือ วิญญาณวิญญาณ6วิญญาณ6ก็คือจักรวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและมโนวิญญาณนี่เรียกว่าวิญญาณ6หมวดที่3แต่จะเรียกให้เต็มเขาต้องพระองค์แสดงอย่างนี้นะว่าอาศัยตากับรูปจึงเกิดจักรวิญญาณอาศัยหูกับเสียงจึงเกิดโสตะวิญญาณอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิด ขานวิญญาณอาศัยลิ้นกับรสเกิดกายชิวหาสิเนาะชิวหาวิญญาณกายกับโพธภาเกิดกา ย, ยะวิญญาณมโนกับธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณเนี่ยเรียกวิญญาณหหมวดที่สามเลยนะทีนี้หมวดที่สี่หมวดที่สี่ก็คือพัสสะหใช่ไหมพัสสะหก็อาศัยตากับรูปเกิดจากสุวิญญาณความประชุมของธรรมะทั้งสมเป็นพัสสะ เนี่ยภาษาหนึ่งหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภสษะจมูกกับกลิ่นเกิดคานวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภสษะอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมะทั้งสเป็นภัษะอาศัยกายโพธพภะเกิดกายวิญญาณ ความประชุมของธรรมะทั้งสมเรียกว่าผัสสะอาศัยมโนธรรมลมเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกผัสสะเนี่ยผัสสะหมวดที่เท่าไหร่ละเมื่อกี้หมวดที่สหมวดที่4หมวดที่4ี่4ก็คือผัสสะนั่นเองต่อไปหมวดที่ห้าก็คือเวทนามันก็ต้องทบทวนว่าอาศัยตาต้องย้อนมาที่ของเก่าเดิมนะ ตากับสีเกิดจากขูวิญญาณความประชุมของธรรมะทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประชุมของธรรมะทั้งสเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอ่าชักคุ้นกันแล้วนะสูตรนี้ถ้าคุณเรื่องนี้นะจะเรื่องอริยศาสตร์เรียนไม่ยากละอาศัยจมูกกับ กลิ่นเกิดคานวิญญาณความประชุมของธรรมะทั้งสามเรียกภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยเลนกับรสเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมะสามเรียกว่าภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยกายกับโพธะเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมะทั้งสามเรียก ภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยมโนโมโนมโนคืออะไรมโนได้แก่ผวังบางแห่งบอกอาวชนะด้วยนะนะผวังกับมโนทวาราวชนะเรียกว่ามโนกับธรรมรมเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรมะทั้งสามเรียกภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานี้ธรรมะหมวดหกหมวดที่ห้าใช่ไหมได้แล้วสามสิบ ใช่หมหหคูณห้าเท่ากับสามสิบในสามสิบชื่อแล้วนะโอ้เก่งมากเลยเหลืออีกสุดท้ายสุดท้ายเรียกว่าตันหาหตันหาหกตันหาหที่เราเคยเรียนครั้งก่อนก็คือรูปปัตนหาสัทธตันหาคันธาตันหารัศตันหาโพธะพตันหาและก็ธรรมะตันหาตันหาก็คือความเพลิดเพลินความยินดีนะนี มีแบบหยาบก็มีแบบละเอียดก็มีเอาใหม่นะอาศัยตากับสีเกิดจากคุวิญญาณความประชุมของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาอ่ด้วยอำนาจอุปนิสัยปัจจัยทั้งอนันตระปัจจัยทั้ง ปัตูปนิสยปัจจัยทั้งอารัมมณูปนิสยปัจจัยแต่ถ้าทางตาอย่างนี้เนี่ยถ้าทางตาโดยปัจจัยปัจจัยคือปัตูปัติสยปัจจัยเพราะตัณหาทางตาอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปปตัตนหานะให้ฟังปัจจัยคะเคลาไปด้วยเราจะได้คุนเรื่องปัจจัยมากๆขึ้นวิชาใดาก็ตามถ้าเราฟังจนคุ้นแล้วนะสิ่งนั้นจะไม่ยากถ้าว่าท่านจะเอาแบบ เอาแบบย่อยๆหน่อยไหมนะธรรมะหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยได้แก่อายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกอายตนะภายในและอายจนะภายนอกทําให้เกิดวิญญาณหกใช่ไหมสามอย่างประชุมกันเป็นถัดสหหกถัดสะหกก็มาเป็นเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาหกเวทนาหกก็เป็นเวทนาหกเป็นปัจจัยให้เกิด ตันหานหก <6 S 2> <6. S 1> นั่นแหละอันนี้เอาแบบสูตรสูตรรวบยอดสูตรตรวบยอดแต่ต้องเข้าใจนะว่าไอ้หมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยได้แก่อายตนะเนี่ยทําไมจึงเรี่ยงอายตนะทําไมจึงไม่บอกไปเลยตากับสีนะครับอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในได้แก่ตาสมมุตินะทวานี้ข้างนอกได้แก่สี เพราะว่าอายตนะแปลว่าการต่อครับแปลว่าการเชื่อมการประชุมระหว่างสองภายนอกกับภายในเนี่ยมาเชื่อมกันเมื่อเชื่อมแล้วเนี่ยไม่เชื่อมเฉยๆนะครับนะครับไม่ได้เชื่อมเฉยๆนะครับการต่อการเชื่อมนี้เนี่ยนะครับก่อความเจริญนำมาซึ่งสังสารวักุนี่แหละครับเหตุผลที่เรามาเรียนกันนี่แหละครับตัเนี่ย เพราะว่าอายตนะเนี่ยนะมันต่อกันแล้วเนี่ยนะมันก่อความเจริญไหมเพราะว่าวัตะเจริญล่ะมันไม่ต่อเฉยๆอ่ะมันต่อกันแล้วมันต้องไล่ไปเรื่อยเลยเราไปถึงชงบนะไปไล่ไปจุดนู่นเลยอ่ะมันไม่ต่อแล้วมันหยุดต่อได้มไหมล่ะและนํามาซึ่งสังสารทุกข์เนี่ยหละความหมายของอายตนะอาจยะคามีก็พวกกุศลและอกุศลเนี่ยมันก่ออปัจยะคามีก็ได้แก่ธรรมะที่ไม่ก่อก็คือมร มักในไม่ก่อแหละ น, นะซึ่งตรงนี้เราเรียนธรรมะเพื่ออภิญยาคามีก่อเพื่อไม่ก่ อ, อ น, น ะ, อะการการศึกษาพระธรรมเนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงอุ ป, ปมาเหมือนกับคนที่ต้องการจะข้ามฝั่งคืออยู่ฝั่งนี้ต้องการไปถึงฝั่งนู้นทีน่นี่เรือก็ไม่มีแพก็ไม่มีสะพานก็ไม่มี ทำยังไงก็บอกว่าชายคนนั้นเนี่ยก็ไปรวบรวมพวกหญ้าท่อนไม้เอามามัดมาผูกรวมกันทำเป็นเป็นแพรพอทำเป็นแพรแล้วก็เอาแพเนี่ยลงน้ำแล้วก็พยายามด้วยมือและเท้าในการไหว้ความเพียรพยายามในขณะที่อยู่กลางน้ำเนี่ยแม้แต่หญ้าเส้นเดียวอะ่ะที่เอามามัดบัดเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้มันจากไปใช่มรวมตัวให้มันเป็นแพร พอไปถึงฝั่งแล้วเนี่ยเขาแบกแพไปด้วยไหมแพหญ้าแพรไม้เนี่ยเขาไม่เอาไปด้วยหรอกการศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันในเบื้องต้นที่เรากําลังมาเรียนมาอ่านเนี่ยก็เหมือนกับการไปตัดไม้ไปตัดท่อนหญ้าไปดึงหญ้าไปดึงเทาวันมาเอามาผูกเอามามัดเอามารัดถ้าหากว่ามีการเอามาเพ่งในชีวิตจริงๆเรียกว่าโยนแพรนั้นลงไปในน้ําแล้วน้ําก็คือชีวิตของเราะนะสงเคราะห์แพร ก็คือคําสอนอันนั้นลงในชีวิตของเราแล้วพยายามด้วยความเพียรความพยายามบากบั่นในการศึกษาวิเคราะห์อย่างนี้เรียกว่าพยายามด้วยมือด้วยเท้าแล้วก็ไม่เลิกน้ํามันจะเชี่ยวบ้างฝนจะตกบ้างแดดจะออกบ้างมันจะมีปลาผ่านมาบ้างไปเจอวังน้ําวนบ้างเจออะไรบ้างก็สู้กันต่อไปแต่ถ้าหากว่าปล่อยปล่อยกลางลําน้ําอาจจะจมน้ําตายนั่นแหละแต่ถ้าติด ถ้าช่วงนี้ถ้าเราไม่ติดแพรเนี่ยไม่ได้ก็ต้องเกาะแพรไว้ก่อนชั้นใดก็ดีการศึกษาพระธรรมคำสอนเหล่านี้ในช่วงนี้เขาเรียกว่าในช่วงที่หาวัตถุดิบเพื่อที่จะก่อเป็นลำเรือนั่นแหละศึกษาพระธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันเพื่อที่เราจะได้เพียรพยายามเมื่อเราทรงจำได้อันนี้ก็เหมือนกับรว บ, ร ว, บรวมเครื่องมือได้ครบแล้วถ้าประยุก ค, คำสอนเหล่านี้ลงมาในชีวิตของเราได้อันนี้เท่ากับเริ่มลงมือไว้แล้ว แต่ถ้าหากว่ายังสงเคราะห์ธรรมะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยลงในชีวิตไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่ทันได้ไปไหนเลยเพราะเรายังไม่รู้าจะไปไหนใช่ไมรู้เลยยังว่าไปไหนเพราะยังไม่รู้จากเรื่องตาเรื่องสีเรื่องจกักขวิญญาณจากักขวสัมผัสและก็เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะภาษาเป็นปัจจยัยแม้กระทั่งตันหา ันคนที่ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ถามว่าจะปฏิบัติมัชชิมาปฏิปทาได้อย่างไรถ้าลืมตามองเห็นเนี่ยจะเป็นมัชชิมาปฏิปทาได้ยังไงเป็นทางสายกลางได้ยังไงถ้าหากว่าปฏิบัติไปยินดีในสีเสียงกลิ่นรสก็เป็นการมสุขาลิกานุโยบขณะที่เห็นนั่นแหละถ้าหากว่าไม่ยินดีหมายความว่าทําตาให้มันทุกทรมานทํำวิบากให้มันหาแต่วิบากไม่ดีให้ได้รับมากๆทําตาให้มันทรมานอย่างนี้ก็เป็น อตากิฬามฐานุโยคถามว่าจะเป็นมัชิมาได้ยังไงอ่ะลืมตามองเห็นเป็นมัชิมาได้ไหมจะเป็นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความรู้ในเรื่องตาเรื่องสีจกักขวิญญาเรื่องภาษาเรื่องเวทนาจนถึงตัณหาเจตนาวิตกวิจารพวกความความรู้ที่เกิดขึ้นมาศึกษาเหล่านี้เนี่ยความรู้อันนั้นเป็นมัชิมาปฏิปทาเพราะฉะั้นเราศึกษาจนมัชิมาปฏิปทาเบื้องต้นเราต้อง สำเนียกใส่ใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมตาเป็นผลของกรรมไหมเป็นสีบางอย่างเป็นผลของกรรมไหมเป็นจักรวิญญาณเป็นผลของกรรมไหมเป็นภาษะเป็นผลของกรรมไหมเป็นเวทนาเป็นผลของกรรมไหมก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลของกรรมทั้งนั้นเลยฮันเราต้องมั่นคงในเรื่องผลของกรรมนี้เมื่อชัดเจนว่าเออนี่เป็นผลของกรรมแสดงว่า มีเหตุในอดีตแล้วเหตุในอดีตได้สั่งสมไปแล้วถ้าไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ทำเหตุใหม่แล้วน ะ, ะยมหยุดอยู่แค่แค่เห็นได้ไหมไม่ให้รู้ไม่ให้นึกคิดต่อไปเลยเนี่ยสมมติมามองเห็นหน้าอยอมผูกการไม่ให้คิดเรื่องอื่นต่อไปเลยทำได้ไหมทำไม่ได้มันอยู่แค่แค่เห็นไม่ได้หรอกมันก็คิดนึกไปด้วยพอความคิดนึกตัวนั้นเนี่ยเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะคิดนึก เจตนาตัวนั้นเป็นนานัขันิกรมปัจจัยแล้วถ้าผู้ใดสั่งสอนบอกให้หยุดแค่นั้นน่ะผิดหรือถูกครับก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะผัรษะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่อบรมสั่งสอนมาก็จะทำให้เรียนรู้ความจริงเหล่านี้อันในชั้นต้นนั้นศึกษาเพื่อความรู้เรื่องนี้ก่อนถ้าเราไม่เข้าใจนะปฏิบัติตามไม่ถูกหรอก ให้ทําเอาทําทําดูสิลองปฏิบัติดูสิจะไปทํำยังไงาไม่เข้าใจักอย่างแล้วไอ้ข้อปฏิบัติอันนี้นะทําให้ดูก็ไม่ได้เดี๋ยวอาตมาจะปฏิบัติให้ดูแล้วนั่งกับพิบตาอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ว่าทําอะไรอยู่ใช่ไหมทําได้ไหม <laughs> กับพิบตาให้กันดูอาจจะได้นะแต่ว่าดูก็เห็นแค่กับพิบตาแต่ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในขณะกับพิบตาเนี่ยมันทําแทนกันได้ไหมมีใครทําแทนกันได้ทําเผื่อกันได้ไหมแล้วก็ ความจริงเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหรบ้างที่เราไม่ต้องกระพริบตามีไหมมีอยู่แล้ววันหนึ่งตั้งแต่เชา้าจนถึงหลับอะ่ะเราใช้ตาอยู่ตลอดเลยถ้าเราไม่รู้ความจริงอันเนี้ยเป็นโมหะตลอดเลยเหมือนกันนะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะเป็นทุกขสัจจะตากับสีก็เป็นสัจจะจักครคูวิญญาณก็เป็นสัจจะภาษาเวทนาก็เป็นสัจจะเป็นทุกขสัจตัณหาที่เกิดขึ้นยินดีในสิ่งเหล่านี้เป็น สมุทัยสัตว์ชีวิตของเราขณะที่มองเห็นเนี่ยเป็นทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์ตลอดเลยเมื่อสัตว์จะสองอย่างเป็นไปอย่างนี้นี่อย่างนี้เรียกว่าวตตะการไปเป็นตามวตตะวตตะคืออะไรวะตตก็คือตาวัตตก็คือสีวะตตก็คือจิตเห็นภาษะเวทนาพวกนี้แหละคือวตตะเรียกว่าลำดับแห่งขันนี่คือขันลำดับแห่งอายตนะ ลำดับแห่งธาตุที่สืบเนื่องโดยไม่ขาดสายเรียกว่าสังสาระสังสาระเพราะฉะนั้นไอจิตเห็นเป็นวิปากวัฏพอจิตเห็นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทเกิดตัณหาตัณหาเป็นกิเลสวัฏเจตนาเกิดใหม่ในขณะนั้นเป็นกรรมวัฏเพื่อให้มีวิบากอย่างนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นชีวิตก็ไหลอยู่ในวัฏตาอย่างนี้พ่านผู้ที่ศึกษาธรรมะเหล่านี้นะ เรียว่าเป็นคนนั่งยางค่อนข้างจะแห้งพอสมควรนะจึงจะรับได้ก็ก็ค่อนข้างจะเห็นโทษของสังสารวัตรพอสมควรเห็นโทษของความยืดยาวเห็นโทษของการไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งเคยเบื่อไหมที่จะเห็นตื่นเช้ามาโอ้อีกแล้วเลยเนี่ยเห็นอีกแล้วพระเพื่อนบางองค์บอกจะฉันอีกแล้วเลยเนี่ยเบื่อจริงๆเลยเบื่อที่จะฉันนันการบางท่านก็เล่าไอ้เบื่อที่จะเห็นไม่ค่อยมีใครพูดเลย เบื่อที่จะได้ยินแต่ว่าก่อนที่จะเบื่อต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่เบื่อโอ้ยขาตัวตายเลยไอ้นั่นก็เลยทงเองเหมือนกันเลยเถิดนั่นแหละพันข้อปฏิบัติในผู้ศาสนาเป็นเรื่องของความรู้อย่างเดียวเอาทีนี้จนถึงอายตนะหนะอายตนะภายใน6อายตนะภายนอกหททำให้เกิดวิญญาณหวิญญาณ 6, ทหทําให้เกิดภาษาภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิด ตันหาอยังไงแหละหกครั้งเลยเรียกว่าฉะฉักกะนะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าจักรสุเป็นอัตตานะนะคำว่าจักรสุเป็นอัตตาเนี่ยถ้าใครคนใดคนหนึ่งพูดว่าจักรสุเป็นอัตตาคําว่าอัตตาหมายคำว่าเป็นสภาพที่เป็นแก่นแท้ตั้งอยู่ชั่วนิรันต์ไ อ, ไอตัวตาเนี่ยนะเป็นตัวแก่นแท้เป็นชีวานิรันต์ไม่เสื่อมไม่สลาย เป็นใหญ่แห่งขันของสัตว์และจักาวารวรรดนถ้าหากว่าผู้ใดก็บอตัวนี้แหละคือตัวตนแท้ๆเลยอะตัวตาเนี่ยคำของคนนั้นไม่ควรเพราะจักสุย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมจักสุนี้มีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดมีกรรมเป็นมีกรรมมี ตัณหามีอุปาทานเป็นเหมือนแม่ที่ทำให้ตาเนี่ยเกิดขึ้นมีกรรมเนี่ยเป็นเหมือนกับพ่อมีอาหารเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงให้ตาเกิดขึ้นอาทวนใหม่นะมีอวิชาตัณหาอุปาทานสามอย่างเป็นเหมือนแม่ทำให้ตาเกิดขึ้นมีอาหารเป็นเหมือนกับมีกรรมมีกรรมเหมือนกับพ่อมีอาหารเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนั่นแหละ ถ้าพูดถึงอาหารปั๊บอุตุด้วยจิตด้วยก็เข้ามาแล้วจากสู่นี้ปรากฏแม้ความเกิดด้วยปัจจัยเหล่านี้ปรากฏแม้ความเสื่อมปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอาหารขาดไปจากสู่ก็เสื่อมใช่ไหมหรือว่ากรรมบางอย่างมาเบียดเบียนปั๊บจากสู่ก็เสื่อมหรือว่าตันหาที่เป็นเหตุให้เกิ ด, กดจากสู่ไม่มีจากสู่ก็ก็เสื่อมไปดังนั้นจากสู่มีทั้งความเกิดและความเสื่อม ก็สิ่งใดเลยปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเมื่ใครบอกว่าเอตานี่เป็นอัตตาอ้าวตาเกิดตาดับอ่ะตาเกิดแล้วก็เสื่อมไปเออัตตานี่เกิดเสื่อมด้วยฮะถ้าบอกว่าอัตตาเกิดเสื่อมอมันจะเป็นอัตตาเลยมันก็ไม่มีใช่ไหมด้วยเพราะฉะนั้นคําของผู้ที่กล่าวว่าจักษุเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควร ด้วยประการชนิดจกักษุจึงเป็นอนัตตาถามว่าทำไมจกักษุจึงเป็นอนัตตาเพราะจากักษุนี้เกิดขึ้นและเสื่อมไปคําว่าอนัตตาหมายถึงหมายถึงอะไรหมายถึงเพราะมันเกิดขึ้นและเสื่อมไปวิธีอธิบายอนัตตาของพระผู้มีพระภาคเนี่ยมีอยู่สามลักษณะใหญ่ๆด้วยกันอย่างที่หนึ่งเนี่ยบางแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาอนิจจังมาอธิบายอนัตตา อาอนิจังอธิบายอนัตตาเหมือนในสูตรนี้เกิดและดับเป็นเรื่องของอนิจจังนี่เป็นการวิธีอธิบายอนัตตาอย่างหนึ่งว่าตัวจกักรสูนี่นะมันเกิดด้วยเสื่อมด้วยเพรา ะ, ะจากักรสูจึงเป็นอนัตตาเอาอนิจจังมาอธิบายเจนทออีกสูตรหนึ่งอันนี้แบบชัดก็สูนะเอาอนิจจังมาที่บายอนัตตาถ้าในลักขณะสู ปัญจะวะัคคยสูตรหรืออนัตตลักษณะสูตรสูตรนั้นนี้เอาทุกขังมาอธิบายอนัตตาอธิบายว่ายังไงที่บายว่าเพราะจากสูตรเนี่ยเป็นไปเพื่ออาพาธอ่ะอาพาธนี่ก็เป็นความเป็นทุกข์ใช่หสิ่งใดอาพาธสิ่งนั้นแหละจึงเป็นอนัตตาเพราะมันถ้าบอกว่าจากสูรรูปเป็นอาาัตตาไม่ไม่เหมาะไม่ควรใช่ไหมเพราะจากรูปเนี่ยเป็นไปเพื่ออาพาธ คำว่าอ า, าพาธเนี่ยบ่งบอกถึงความทุกข์ความทุกข์เพราะนั้นความทุกข์นั่นแหละก็คือทุกขลักษณะเพราะั้นอธิบายอนัตตาโดยเอาทุกมาที่บายบางแห่งเอาอนิจจังและทุกขังมาที่บายอนัตตาดูก่อนที่สุทั้งหลายจากสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรไหมที่จะตามเห็นว่านั่นอัตตาของเราไม่ควรใช่ไหม พ้นก็เอาอนิจจังกับทุกขังมาอธิบายอนัตตาเพราะอนัตตานี้เป็นธรรมชาติที่ปรากฏยากอพอมาถึงตรงนี้นะฮะพวกที่เคยศึกษาธรรมมาพอสมควรน ะ, ะคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าอุ ป, ป า, าทิฏฐิพังคะของของจักขูปภาษาธาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เลยนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอธิบายความความเป็นอนัตตาเลยนะ ด, ดูให้ดีนะ ก็าไม่ได้เอาอันนี้ท่านไม่ได้เอาปาทาทีตีพังคะของของภาษาทรูปนะมาที่ใบอนตัตตลักษณ์ไม่มีเลยเจนปาแล้วก็อันนั้นนี่เขาเกิดดับของเขาอยู่แล้วอะ่ะเจนปะเขาเกิดดับของเขาอยู่แล้วแต่เรามาดูนี่นะเมื่อมันสมมติว่ามันอ่านทิจังเนี่นะบางทีระยะเวลามันยาวให้เห็นยาวพอสมควรนะเจนป า, าคือท่านเราต้องเข้าใจอยู่สองคำ อนัตตากับอนัตตลักษณะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะถามว่าไอตัวตาเนี่ยแหละมันตัวอนัตตาเพราะตาเนี่ยมันเป็นไปของมันอย่างนั้นแหละแต่จะรู้ลักษณะอันนั้นได้เพราะเอาอะไรมาบอกเอาอนิจจังมาที่บายแต่ยังไงตัวของเขาเองเขาก็เป็นอนัตตาไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ช่างเถอะตาก็เป็นอนัตตาแหละตาจะไม่เคยเป็นอตาเลย แต่ถามว่าไอลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยจะรู้ได้ยังไงก็ต้องด้วยพูดถึงอ น, นิจจังเพื่อที่จะให้มีความรู้เรื่องอนัตตลักษณะพูดถึงทุกขังเพื่อให้รู้จักอนัตตลักษณะพูดถึงอ น, นิจจังด้วยทุกขังด้วยเพื่อให้รู้อนัตตลักษณะอั่นแหละอันตรงนี้ก็เอาอ น, นิจจังมาอธิบายเพราะตาเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆนะ ตานี้มีปัจจัยให้เกิดถ้าปัจจัยนั้นไม่มีตาก็ต้องเสื่อมไปนั่นแหละคุณภาพของตาก็แล้วแต่ปัจจัยที่เขาบอกว่าแล้วแต่โรงงานผลิตอ่ะ เ, อเหมือนกับรถยนต์รถคันไหนดีหน่อยก็แสดงว่าโรงงานดีคันไหนเสื่อมง่ายผุง่ายก็แสดงว่าโรงงานผลิตมาไม่ดีนะักตาของแต่ละคนเนี่ยคุณภาพไม่เท่ากันบางคนเนี่ยโหตัดแว่นตั้งแต่เล็กๆเลยอ่ะมีแว่นฝ่ายอีกคนหนึ่งอายุ รู้ตั้งมากแล้วไม่เคยรู้จักแว่นตาเลยเพราะว่าตาเขาดีตลอดทั้นคุณภาพของตาเนี่ยแตกต่างกันเพราะอะไรแตกต่างเพราะกรรมแตกต่างกันนั่นแหละหรือบางคนเนี่ยโอ้โหตามาสายแป๊วอุปปปีแล้กักรรมมาเบียดเลยทําให้ตาพร่าไปหรือบางคนเนี่ยอุปเชษทัศ ก, กรรมมาตัดเลยตาบอดเลยนั่นแหละก็โรงงานผลิตมาดีแล้วแหละแต่ว่ามันมีบางอย่างมาเบียดเบียนคล้ายๆเราประสบบัติเหตุระหว่งางทาง อันในเรื่องกรรมก็ต้องชัดเจนนะแม้แต่ตาเนี่ยเกิดเสื่อมแม้คําว่าเกิดเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้เกิดแม้แต่เสื่อมอะไรเป็นเหตุให้เสื่อมอเราจึงจะได้ไม่แต่ไปคิดเออตามันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะนั้นไม่ใช่นะเพราะไม่เชื่อว่าเป็นการวิจัยอย่างจริงแท้เพราะว่าการอธิบายลักษณะนี้เป็นเรื่องของตีรณะปริญญานะนี่คือตีรณะปริญญาแล้วนะอันนี้จะไม่ขับที่เรียกว่าอนัตตลักษณะเจนทอนแต่ถ้าพูดว่า ตัวตาเองอะเขาก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วยังไงเขาก็เป็นอนัตตาเขาก็มีทิติพังคะทิฏฐิต่อุปาทัศิติพังคะอยู่แล้วเจนพาใช่เจนพาถึงยังไงไงไม่ว่าใครจะมาวิจารณ์วิจารณ์เขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เหมือนเสาวเหมือนกันนะครับเจนพานถ้าตากับสาวไม่แตกต่างกันเลยเจนพานไม่ไม่ต่างกันเลยสนใจไม่สนใจเขาก็เป็นตามเรื่องตามราวของเขาตรงนี้เนี่ยพระองค์ทรงสอนเพื่อให้เรามีความรู้อันนี้เกิดขึ้นความรู้ตัวนั้นเป็นข้อ ข้อปฏิบัติแต่ถามว่ารู้อุปาทาถีติพังคะอ น, นั้นไหมไม่ใช่ไปรู้ลักษณะลักษณะที่เกิดลักษณะที่เสื่อมลักษณะที่ไม่คงทนของเขาแต่ไม่ได้เน้นไปที่อุปาทาถีติพังคะไม่ไม่เน้นตรงนั้นเลยนะในคำพี์ที่กล่าวถึงวิปัสสนาเนี่ยไม่ไม่ค่อยเน้นเรื่องอุปาทาทิติพังคะเน้นอะไรเน้นอย่างมากเลยก็คือเน้นเรื่องสันตติของสิ่งนั้นแล้วก็เน้นที่ อัธาด้วยบางทีก็ทั้งอัทธากับสันตตินี่เน้นมากทังนั้นคนที่รอบรู้ในเรื่องอัทธาและสันตติดีถ้ารูประขันก็สามารถที่จะรู้เรื่องของขณะดีแต่ถ้านามะขันน ะ, ะท่านเอาอัธากับสันตติท่านไม่เอาขณะเลยแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเรียนพระพิธรรมมาทำไมครับในเมื่อเราจะต้องเราก็มีความรู้ว่า แม้แต่ไม่วารูปธรรมหรือนามธรรมมันก็มีอุปาทาทิติพังคะอันนั้นเนี่ยเรารู้ไว้เพื่อเพะะื่อมีประโยชน์อะไ ร, รในชั้นพื้นฐาน <S <S เพื่อที่จะศึกษาธรรมะหมวดอื่นๆเช่นเรื่องของปัจจุบันเรื่องอะไรคือปัจจุบันอะไรคืออดีตอะไรคืออนาคตโดยขณนะเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะอีกหลายๆหมวดซึ่งมันเป็นความรู้ชั้นละเอียดลึกซึ้งว่าที่สุดของสิ่งนั้นเนี่ยคืออะไรเป็นความรู้ในชั้นพื้นฐาน ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้นั่นแหละอ่าเช่นสมมุติว่าถ้าหากว่าเราไปรู้เรื่องอุปาทิฏฐิพังคาเนี่ยก็ทําให้เรารู้เรื่องวิถีจิตสมมุติเช่นตัวอย่างใช่ไหมฮะมันก็เป็นวิถีจิตอย่างนี้แล้วก็ทุกอณฑทุกอนุขณะของทิติอุปาทิฏฐิพังคาก็รูปเขาก็จะเกิดอ่าสัมพันธ์กับการเกิดของนามอุปาทิฏฐิพังคาใช่ไหมเจต้อมทำให้เราเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมครับสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องน้ำด้วยและอย่างหนึ่ง พื้นฐานเรื่องลึกๆแล้วเนี่ยสัตว์จะได้ไม่ไปคล้องไปติดนั่นแหละคือจะได้ไม่ไปคล้องไปติดจะได้สงสัยเอ๊ะมันมันยังไงกันแน่ใช่ไหมพอพระองค์แสดงไปปุ๊บละเอียดแล้วก็ไม่เอาละคือคือไม่สงสัยแล้ะคล้ายๆกับเด็กๆอ่ะนะไม่รู้เรื่องอย่างของธรรมาสมัยเด็กๆเนี่ยก็พ่อมีวิทยุเนี่ยมาแกะหน้าดูกันเลยอะไรมีจะขันดูให้หมดเลย แต่ถ้าเขามีเอกสารมาประกอบอธิบายว่ารายละเอียดข้างในของมันเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะเสร็จแล้วไม่ไม่ไมไมแกะและเปิดแต่เสียงฟังเสียงพอละนั่นแหละเพราะเราจะใช้ประโยชน์แค่นั้นแต่ถ้าไม่รู้จริงเนี่ยมันจะแกะนะมันจะค้นให้มันละเอียดทีนี้พระองค์ก็แสดงป้องกันไอ้ความนึกคิดต่างๆที่เราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นอื่นไปพระองค์แก้ความเห็นของเราทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละแก้ความคิดนึกทุกแง่ทุกมุมไว้จะได้ไม่ไม่สงสัยนั่นแหละ อทีนี้ต่อไปผู้ใดกล่าวว่ารูปเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรรูปได้แก่รูปรูปารมณนะ์หรือสีสีมีสมุทฐานสีอย่างกรรมจิตอุตอาหารันถ้าผู้ใดบอกว่ารูปเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเพราะรูปย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่า อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคําของผู้ที่กล่าวว่ารูปเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้จักษุจึงเป็นอนัตตารูปจึงเป็นอนัตตาตาก็เป็นอนัตตาสีก็เป็นอนัตตาเพราะสีมีความเกิดและความเสื่อมปัจจัยมีก็ทําให้มีสีอย่างนี้ขึ้น อวิชาตันหาอุปาทานสามอย่างนี้เป็นเหมือนแม่ให้ให้สีเกิดผันผิวพันธุ์ของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันเพรา ะ, ะตันหาอาวิชาหรืออุปาทานที่แตกต่างกันทําให้ผิวพันธุ์แตกต่างกันและก็ตันหาตัวนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้กรรมเนี่ยทำแตกต่างกันกรรมเป็นเหมือนกับพ่อและก็มีอาหารเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยง ความรู้ชั้นนี้เป็นอะไรรู้ไหมถ้าสงฆ์ลงยานนะเรียกว่าปัจจยะปเรกกหายานสงฆ์ลงปริญญาเรียกว่ายาตะปริญญาเพราะนสีเนี่ยจะเกิดด้วยปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เกิดเพราะสิ่งอื่นเป็นเป็นปัจจัยเลยนะไม่ได้เกิดเพราะเสกขึ้นไม่ได้เกิดเพราะมีผู้สรรสร้างขึ้นแต่เพราะปัจจัยเหล่านี้แม้แต่ปัจจัยเที่ยงไหมตันหาวิชามก็หมดไปแล้วอะ่ะแต่มันสามารถเป็นผลมาได้อะ่ะ แล้วผลอันนี้อ่ะซึ่งเหตุไกลในอนดีตเนี่ยก็หมดไปแล้วเหตุตัวนี้ก็จะหมดแล้วก็ถ้าหากว่าปัจจัยที่มาดูแลอุปธรรมพวกนี้ไม่มีสีเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีเสื่อมไปเป็นที่สุดนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าคนนั้นรู้จักรักษาก็สามารถเป็นไปได้นานจะนานหรือไม่นานส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การรักษาด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาเพราะมีเกิดแล้วก็เสื่อมไป นี่เป็นการแสดงถึงอนัตตาจริงๆเจนพาใช่ไหมครับแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยจริงๆใช่ไหมครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําอย่างอื่นเลยนอกจากพวกนี้ดีๆเราจะไปทําให้ตัวเราขาวจั่วเลยได้ไหมครับก็ถ้าหากว่ากระบวนการของปัจจัยมีก็ขาวได้เลยแม้แต่นักสันยังขาวได้เลยเพราะปัจจัยมีพร้อมก็เป็นปัจจัยให้ขาวแบบนั้นนั่นเรียกว่าขาวเพราะอาหารนะอาหารก็ถ้าเรียกว่ายาะหรือเคมีเนี่ยก็ทําให้ขาวได้แต่ แต่ก็ยังว่านะคุณภาพมัน ก, มนก็มันก็แตกต่างจากกรรมเป็นปัจจัยมา